13. อาจาริยวัตคาถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในพระอาจารย์สมัยนั้นอันเตวาสิกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในพระอาจารย์ทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตําหนิประนามโพท น, นาว่าฉะ น, นอันเตวาสิกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในพระอาจารย์ทั้งหลายเล่าครั้งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าอันเตวาสิกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอาจารย์ทั้งหลายจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีถาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในอาจารย์ทั้งหลายแก่อันเทวาสิกทั้งหลาย โดยที่อันเตวาสิกทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอาจารย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย์วิธีประพฤติชอบในอาจารย์นั้นมีดังนี้อันเตวาสิกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถอดรองเท้าหมอุตราสง์ฉวงบาข้างหนึ่งถวายไม้ชมระฟันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวาย เมื่ออาจารย์ฉันข้าต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้คลูดล้างแล้วเก็บงำไว้เมื่ออาจารย์ลุกขึ้นแล้วพึงยกอาชนะเก็บท่าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอาจารย์ต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประคดเอวถวายสังฆาติที่พับซ้อนกันล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้า ถ้าอาจารย์หวังจะให้เป็นปัจฉาสมณะพึงนุ่งให้เรียบร้อยปกปิดได้มนทนสามข้าประคดเอวห่มสังคาเตะที่พับซ้อนกันกลัดลูกดุมล้างบาถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์พึงเดินไม่ให้ห่างนักไม่ให้ชิดนักพึงรับบา ท, ที่มีของบรรจุอยู่เมื่ออาจารย์กำลังกล่าวไม่พึงกล่าวสอดขึ้นในระหว่างอาจารย์กล่าวทอยคาใกล้ต่ออาบัตพึงห้ามเสีย เมื่ออาจารย์จะกลับพึงมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้พึงเตรียมน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวรพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวรชุ่มเหงื่อพึงพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึ่งทิ้งไว้ที่แดดพึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลือมุมกันสีนิ้วตั้งใจว่า ตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประโคดเอวใส่ขนดจีวรถ้าบินธบาตมีและอาจารย์ต้องการจะฉันพึงถวายน้าแล้วน้อมบินธบาตเข้าไปถวายนำน้ำฉันมาถวายเมื่ออาจารย์ฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับบาดมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเช็ดให้เสด็จน้ำพึงแดดครูหนึ่งไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดดพึงเก็บบาดและจีวรน เมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งจับบาทใช้มือข้างหนึ่งคลาใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่ออาจารย์ลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บ พึงเก็บน้ำล้างเท้าต mm ่างรองเท้ากระเบื hmm. mm. ้องเช็ดเท้าท่าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอาจารย์ต้องการจะสงน้ำพึงจัดน้ำสงถวายถ้าท่านต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวายถ้าท่านต้องการน้ำอุ่นพึงจัดน้ำอุ่นถวายถ้าอาจารย์ต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบดจุนพึงแช่ดินเธอต่างสำหรับเรือนไฟเดินตามหลังอาจารย์ไป ถวายตังสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณที่สมควรจึงถวายจุลและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียด์พระเถระไม่พึงกีจการอาสนะพระนวกะพึงทำบริกรรมแก่อาจารย์ในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือตังสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟ พึ่งทำบริกรรมก่อาจารย์แม้ในน้ำต้นสงน้ำเสร็จแล้วพึงขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผัดผ้าพึงเช็ดน้ำจากตัวอาจารย์ถวายผ้านุ่งสังฆาติถือต่างสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายอาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องการจะให้เรียนพึงเรียน ถ้าอาจารย์ต้องการจะให้สอบถามอัดพึงสอบถามอาจารย์อยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกปรกถ้าสามารถพึงชําระให้สะอาดเมื่อจะชําระวิหารให้สะอาดพึงขนบาทและจีวร อ, ออกก่อนวางไว้ณที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางณที่สมควรเตียงต่งอันเติวาสิกพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด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 ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงเอาน้ำประพรมแล้วเช็ดอ ย, อย่าให้วิหารคลากร่ำด้วยฝุ่นละอองพึงเก็บหยากเยื่อไปทิ้งณที่สมควรพรมปูพื <S <S ้นพึงผึ Kem ่งแดดชำระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงโรงเตียงพึงผึ่งแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงต่างพึงผึ่งแดดชำระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด ไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึงพ่งผึงแดดชัมระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึ่งพึ ง, พ ง, พ ง, พงแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึงเก็บบาดและจีวรเมื่อจะเก็บบาดพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาดใช้มือข้างหนึ่งคลาใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็ บ, บาด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 อันเตวาสิกพ re for anyway ึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมีกระถาแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์เกิดความรำคาญอันเตวาสิกพึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงธรรมีกถาแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์เกิดความเห็นผิดอันเตวาสิกพึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยสละเสียหรือพึงแสดงธรรมีกถาแก่อาจารย์ ถ้าอาจารย์ต้องอาบัตหนักควรแก่ปริวาทอันเตวาสิกพึงทาการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้ปริวาสแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมอันเตวาสิกพึงทาการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงชักอาจารย์เข้าหาอาบัตเดิมถ้าอาจารย์ควรแก่มานัดอันเตวาสิกพึงทาการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ ส, <S <S ส, lens, ส, ca, ส, yup. สงพ aha, สสสึงให้มานักแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์ควรแก่อภานอันเตวาสิกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงอภานอาจารย์ถ nope ้าสงต้องการจะทำกรรมคือตัชนิยกรรมนิยสกรรมปภาชนิยกรรมปฏิสารณิยกรรมหรืออุเคปนิยกรรมแก่อาจารย์อันเตวาสิกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงไม่พึงทำกรรมแก่อาจารย์ หรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอาจารย์ได้ถูกสงลงตัชนียกรรมนิยสกรรมปปภาชนียกรรมปฏิสารนิยกรรมหรืออุเขปนิยกรรมแล้วอันเตวาสิกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออาจารย์พึงกลับระพฤต ช, ชอบพึงหายเย่อหยิงพึงกลับตัวได้สงพึงระ ง, งับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องซักอันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทาการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใคพึงซักจีวังของของาจารย์ถ้าจีวังของอาจารย์จะต้องตัดเย็บอันเตวาสิกพึงตัดเย็บหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงตัดเย็บจีวังของอาจารย์ถ้าน้ำย้อมของอาจารย์จะต้องต้มอันเตวาสิกพึงต้มหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆพึงต้มน้ำย้อมของอาจารย์ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องย้อมอันเตวาสิกพึงย้อมหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของอาจารย์เมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่อหย่าน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปอันเตวาสิกไม่บอกอาจารย์ไม่พึงให้บาปแกภิกษุบางรูป ไม่พึงรับปาปของภิกษุบางรูปไม่พึงให้จีวรแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูปไม่พึงให้บริขารแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบริขารของภิกษุบางรูปไม่พึงโกนผมให้ภิกษุบางรูปไม่พึงให้ภิกษุบางรูปโกนผมให้ไม่พึงทําบริกรรมแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทําบริกรรมให้ไม่พึงทําการขวนขว้าแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงสั่งภิกษุบางรูปให้ทำการขนขวายไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูปไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะไม่พึงนำบินทบาทไปถวายภิกษุบางรูปไม่พึงสั่งภิกษุบางรูปให้นำบินทบาทไปถวายอันเตวาศึกไม่บอกลาอาจารย์ไม่พึงเข้าหมู่บ้านไม่พึงไปป่าช้าไม่พึงออกไปต่างถิ่นถ้าอาจารย์เป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าอาจารย์นั้นจะหายภิกษุทั้งหลายนี่คือวัดในอาจารย์ทั้งหลายสําหรับอันเตวาศึกทั้งหลายโดยที่อันเทวาสึกทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอาจารย์ทั้งหลาย14 อันเตวาสิกวัตะกถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในอันเตวาสิกสมัยนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอันเตวาสิกทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตําหนิประนามโพลทนาว่าใไหนพระอาจารย์ทั้งหลายจึงไม่ประพฤติชอบในอันเตวาสิกทั้งหลายเล่าครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้น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 เราจะบัญญัติวัดในอันเทวาสิกทั้งหลายแก่อาจารย์ทั้งหลายโดยที่อาจารย์ทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอันเทวาสิกทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิกวิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้นมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงสงเคราะห์อนุเคราะห์อันเตวาสิกด้วยอุเทศปริปุชฌาโอวาทและอนุสาตถ้าอาจารย์มีบาดอันเตวาสิกไม่มีบาด อาจารย์พึงถวายบาตรแกอันเตวาสิกหรือพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรเนอบาตรพึงเกิดขึ้นแกอันเตวาสิกถ้าอาจารย์มีจีวรอันเตวาสิกไม่มีจีวรอาจารย์พึงถวายจีวรแกอันเตวาสิกหรือพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรเนอจีวรพึงเกิดขึ้นแกอันเตวาสิกถ้าอาจารย์มีบริขารอันเตวาสิกไม่มีบริขาร อาจารย์พึงถวายบริขารแก่อันเตวาสิกหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอบริขารพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกเป็นไข้อาจารย์พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถวายไม้ชํระิฟันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่ออันเตวาสิกฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้า รับพาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บงามไว้เมื่ออันเตวาสิกลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บท่าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอันเตวาสิกต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประคตเอวถวายสังฆาติที่พับซ้อนกันล้างบาดแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำปูอาสนะไว้โดยกำหนดว่าเวลาเพียงเท่านี้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 พึงม้วนประคดเอวใส่ขนนดจีวรถ้าบินธบาศมีและอันเตวาศิกต้องการจะฉันพึงถวายน้ําแล้วน้อมบินธบาตเข้าไปถวาย น, นําน้ําฉันมาถวายเมื่ออันเตวาสิกฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ํารับบาดมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเช็ดให้เสด็จน้ําพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดดพึงเกล็บบาดและจีวรน เมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลาใต้ตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้พื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่ออันเทวาสิกลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บ พึงเกลือน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าถ้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอันเตวาเสกต้องการจะส่งน้ำพึงจัดน้ำส่งถวายถ้าเธอต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวายถ้าเธอต้องการน้ำอุ่นพึงจัดน้ำอุ่นถวายถ้าอันเตวาเสกต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบทจุนพึงแช่ดินเธอต่างสำหรับเรือนไฟเดินไปถวายต่างสำหรับเรือนไฟ แล้วรับจีวรมาวางหน้าที่สมควรพึงถวายจุลและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดพระเถระไม่พึงขี่การอาสนะพระนวกะพึงทำบริกรรมแกอันเทวาสิกในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือต่างสําหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟ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 พึงขนออกวางไว้ณที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางไว้ณที่สมควรถ้าในวิหารไม่อยากเยื่อพึงขวาดเพดานลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดเท่าฝาที่ทาน้อมันหรือพื้นทานสีดำขึ้นราพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงใช้น้ำประพรมแล้วเช็ดอย่าให้วิหารคลาคล้ำด้วยฝุ่นละออง พึงเก็บอยากเยื่อไปทิ้งหน้าที่สมควรพรมปูพื้นพึงพึงแดดชำระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึงแดดเจ็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงต่างพึงพึงแดดชำระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอน พึงพึ่งแดดชมรตบค้นกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึงพึงแดดเช็ถูค้นกลับวางไว้ตามเดิมพึงเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวร ใช้มือข้างเหนือรูปราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาคอนหนดไว้ในจึงเก็บจีวรนถ้าลมเจือฝุ่นละอองพัดมาทางทิศตะวรรันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวรรันออกถ้าพัดมาทางทิศตะวรรันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวรรันตกถ้าพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้าพัดมาทางทิศใต้พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าเป็นฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันปิดกลางคืนถ้าเป็นฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างกลางวันเปิดกลางคืนถ้าบริเวณซุม้มโรงฉันโรงไฟวัชถุกดีรกพึงปัดกวาดถ้าน้ำฉันน้ำใช้ไม่มีพึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชำระไม่มีน้ำพึงตักน้ำใส่หม้อชมร่ถ้าอันเตวาสกเกิดความไม่ยินดีอาจารย์พึงช่วยระงับ หรือพึงบอกภิกษุเอินให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกเกิดความรำคาญอาจารย์พึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุเอินให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกเกิดความเห็นผิดอาจารย์พึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยสละเสียหรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเวาสิก ถ้าอันเตวาสิกต้องอาบัตหนักควรแก่ปริวาทอาจารย์พึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสมพึงให้ปริวาสแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมอาจารย์พึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสมพึงชักอันเตวาสิกเข้าหาอาบัตเดิมถ้าอันเตวาสิกควรแก่มานัดอาจารย์พึงทำการขนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้มานักแก่อ э. ันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกควรแก่อภานอาจารย์พึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงอภานอันเตวาสิกถ้าสงต้องการจะทํากรรมคือตัชนิยกรรมนิยสกรรมปภาชนิยกรรมปฏิสารณิยกรรมหรืออุเคลปนิยกรรมแกอันเตวาสิกอาจารย์พึงทําการขนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอสงไม่พึงทำกรรมแก่อันเตวาสิกหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอันเตวาสิกถูกสงลง อ, อตักัญญกรรมนิยสกรรมปะพานียกรร ม, รร ม, ป, รรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเคปณียกรรมแล้วอาจารย์พึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออันเตวาศิกพึงกลับระพฤต ช, ชอบพึงหาเย่อหยิ่งพึงกลับตัวได้ สงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องซักอาจารย์พ like ึงบอกว่าพึงซักอย่างนี้หรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักจีวังของอันเตวาสิกถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องตัดเย็บอาจารย์พึงบอกว่าพึงตัดเย็บอย่างนี้หรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนา ใครๆพึงตัดเย็บจีวังของอันเตวาสิกถ้าน้ำย้อมของอันเตวาสิกจะต้องต้มอาจารย์พึงบอกว่าพึงต้มอย่างนี้หรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้ำย้อมของอันเตวาสิกถ้าจีวังของอันเตวาสิกจะต้องย้อมอาจารย์พึงบอกว่าพึงย้อมอย่างนี้หรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆพึงย้อมจีวรของอันเตวาสิกเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่ออยากน้ําย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปถ้าอันเตวาสิกเป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าอันเตวาสิกนั้นจะหายภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในอันเตวาสิกทั้งหลายสําหรับอาจารย์ทั้งหลาย โดยที่อาจารย์ทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอันเตวาศิกทั้งหลายวัตตะขันธกะที่8จบในขันธกะนี้มี19เรื่อง14วัดรวมเรื่องที่มีในวัตตะขันธกะ ภิกษุอคันตุกะสวมรองเท้ากั้นร่มคลุมศรีรษะผ้าจีวรบนศรีรษะเข้าไปอารามใช้น้ำดื่มล้างเท้าไม่ว่าภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสผู้แก่พรรษาไม่ต้อนรับด้วยเสนาสนะงูตกลงมาภิกษุผู้มีศีลตําหนิพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าภิกษุอคันตุกะจะเข้าอารามพึงถอดรองเท้าลดร่มลดจีวรลงบ่าไม่ต้องรีบเข้าอาราม พึงสังเกตว่าผู้อยู่ประจำในอาวาประชุมกันที่ไหนเก็บบาจีวรนไว้ด้านหนึ่งถืออาสนะที่เหมาะสมถามถึงน้ำดื่มน้ำใช้พึงล้างเท้าเช็ดรองเท้าด้วยผ้าแห้งก่อนแล้วเช็ดด้วยผ้าเปียกทีหลังอภิวาทภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสผู้มีพันษามากกว่าให้ภิกษุผู้อยู่ประจาในอาวาสผู้มีพันษาน้อยกว่าอภิวาทถามเสนาสนะทั้งที่มีและไม่มีภิกษุ ถามถึงโคจระคามและอโคจระคามตระกูลเสกขส ม, มุติที่ถ่ายอุจระปัสสาวะน้ำดื่มน้ำใช้ไม้เท้ากตเกาสงที่ตั้งไว้ว่ า, วาควรเข้าออกเวลาไหนพึงรอสักครู่วิหารรกพึงชำระให้สะอาดพึงขนเครื่องลาดพื้นไปไว้ที่สมควรเขียงรองเตียงฟูกมอนเตียงต่งกระโถนพนัก พ, พิง พึงกวาดอยากใยตั้งแต่เพดานลงมาก่อนเช็ดกรอบหน้าต่างและมุมห้องฟ้าที่ทาสีเหลืองหรือพื้นทาสีดำขึ้นราใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดพื้นไม่ได้ทาใช้น้ำพรมแล้วเช็ดเก็บอยากเยื่อทิ้งพรมปูพื้นเขียงรองเตียงเตียงต่างฟูกมอนผ้าปูแนงกระถนพนักพิงควรผึ่งแดดแล้วเก็บไว้ที่เดิม เก็บบาจีวอนอย่าวางบาทไว้บนพื้นไม่มีเครื่องรองเก็บจีวอนเอาชายไว้นอกเอาขนนดไว้ในมีลมเจือฝุ่นละอองพัดมาทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้พึงปิดหน้าต่างทางทิศนั้นๆรุดูหนาวกลางวันเปิดหน้าต่างปิดกลางคืนหน้าร้อนตอนกลางวันปิดหน้าต่างเปิดตอนกลางคืนกว่าบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟและวัจกุฎี จะเตรียมน้าดื่มน้ำใช้และน้ำในหม้อชำระวัดของภิกษุผู้จรมาดังกล่าวนี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอย่างไม่มีที่เปรียบทรงบัญญัติไว้แล้วภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้าล้างเทา้าไม่ลุกรับไม่ต้อนรับด้วยน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ไหว้ไม่จัดเสนาสนะให้ภิกษุผู้มีศีลตําหนิภิกษุผู้อยู่ประจาในอาวาส เห็นภิกษุอคันตุกะผู้แก่พรรษากว่าควรปูอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าลุกรับนำน้ำดื่มน้ำใช้ต้อนรับเช็ดรองเท้าให้ซักผ้าเช็ดรองเท้าผึ่งไว้ด้านหนึ่งอภิวาภิกษุอคันตุกะผู้แก่พรรษากว่าจัดเสนาสนะถวายบอกเสนาสนะที่มีและไม่มีภิกษุอยู่บอกโคจรขามและอโคจรขามตระกูลเสขษฐกมมุต ว่าจ้กูดีน้ําดื่มน้ําใช้ไม้เท้ากติ ก, กาสง์ที่ตั้งไว้ว่าเวลานี้ควรเข้าออกภิกษุอคันตุกะพันษาน้อยกว่าพึงนั่งบอกแนะนําภิกษุอคันตุกะพันษาน้อยกว่าให้ไหวบอกเสานาสนะนอกจากนั้นเหมือนในในายะตามที่กล่าวไว้แล้ววัดของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส ด, ดังกล่าวนี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นําหมู่ได้ทรงแสดงไว้แล้ว ภิกษุผู้เตรียมจะออกเดินทางไม่เก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินเปิดประตูนหน้าต่างทิ้งไว้ไม่บอกมอบหมายเสยนาสนะเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินเสียหายเสยนาสนะไม่มีใครรักษาภิกษุผู้มีศีลตําหนิภิกษุผู้จะเดินทางพึงเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูนหน้าต่างมอบหมายเสยนาสนะแล้วหลีกไปพึงมอบหมายภิกษุสามเณรคนวัด หรืออุบาสกยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลากองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูนหน้าต่างหากวิหารฝนรั่วถ้าสามารถพึงมุงบังหรือนขนควายในวิหารที่ฝนไม่รั่วก็เหมือนกันถ้าวิหารฝนรั่วทุกแห่งพึงขนเครื่องเสนาสนะเข้าบ้านในที่แจ้งก็เหมือนกันคิดว่าอย่างไรเสียส่วนของเตียงต่างก็คงเหลืออยู่บ้าง นี้เป็นวัดของภิกษุผู้ออกเดินทางภิกษุไม่อนุโมทนาในโรงอาหารทาให้คนทั้งหลายตําหนิพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระอนุโมทนาภิกษุปล่อยภิกษุผู้เทระไว้ให้อนุโมทนารูปเดียวพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้พระเทรานุเทระอยู่สถึงห้ารูปภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระกลั้นไวจนสลบนี้คือวัดในการอนุโมทนา ผู้พิสษุชาพาคีนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเดินแซงนั่งเบียดพิสษุผู้เถระกี่กันอาสนะพิสษุนวกะนั่งทับสังคาติภิสษุผู้มีศีลตําหนิภิสษุพึงนุ่งห่มปิดมณฑลสาม่าปรากฏเอวห่ผมผ้าสังคาติที่พับซ้อนกันกลัดลูกดุมไม่เดินแซงปกปิด ก, กายให้ดีมีจักสุทอดลงไม่เวกผ้าไม่หัวเราะดัง มีเสียงเบาไม่โครงกายไม่แขวงแขนไม่โครงศีรษะไม่เท้าสะเอลไม่คลุมศีรษะไม่เดินกระยงปกปิดกายให้ดีสำรวมดีมีจักสุทอดลงไม่เวกผ้าไม่หัวเราะดังมีเสียงเบาไม่โครงกายไม่แขวงแขนไม่โครงศีรษะไม่เท้าสะเอลไม่คลุมศีรษะไม่นั่งรัดเข่าไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เทระ ไม่กี่การอาสนะพิษุนวะกะไม่นั่งทับสังคาติเมื่อเขาถวายน้ำพึงรับไปล้างบาทรถืออย่างระมัดระวังเทน้ำลงกระโถนด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะผู้นั่งใกล้อย่าถูกน้ำกระเซ็นเปียกสังคาติอย่าถูกน้ำกระเซ็นเมื่อเขาถวายเข้าสุขพึงประคองบาทรับเว้นที่สำหรับแกงจะถวายแกงอ่อมเท่ากันทุกรูปรับบินตบาตโดยครบ มีความสำคัญในบาทรับบินทบาทพอเหมาะสมกับแกงรับเสมอขอบปากบาทภิกษุผู้เทระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าเข้าสุจะทั่วถึงภิกษุทุกรูปฉันบินทบาทโดยเคารพมีความสำคัญในบาทขณะฉันฉันตามลำดับฉันพอเหมาะสมกับแกงไม่ฉันขยุ่มแต่ยอดลงไปไม่ฉันกลบแกงหรือกับข้าวไม่ขอแกงหรือกับข้าวมาฉัน ไม่แลดูปากของพิษุอื่นด้วยมุ่งตำหนิไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่ทำคำข้าวให้กลมกลมไม่อ้าปากไว้รอท่าไม่สอดนิ้วมือเข้าปากไม่พูดทั้งในปากมีคำข้าวไม่ฉันโยนคำข้าวไม่ฉันกัดคำข้าวไม่ฉันทำแก้มให้ตุยไม่ฉันสลัดมือไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวไม่ฉันแลบลิ้นไม่ฉันทำเสียงดังจับจับไม่ฉันทาเสียงดังซู่ซู ไม่ฉันเลียมือไม่ฉันขอดบาดไม่ฉันเลียริมฝีปากมือเปื้อนไม่ควรรับขันน้ำพิกษุผู้เถระไม่รับน้ำก่อนที่พิกษุทุกรูปยังฉันไม่เสร็จล้างบาดอย่างระมัดระวังเทน้าลงกระโถนอย่างระมัดระวังกระโถนอย่าเลอะน้ำพิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็นสังคาติยาถูกน้าเทน้าบนลงพื้นดินอย่างระมัดระวังไม่เทน้ำล้างบาดมีเมล็ดข้าว เมื่อกลับภิกษุนวกระพึงกลับก่อนภิกษุผู้เทระกลับทีหลังปกปิ ก, กายด้วยดีไม่เดินกระยงวัดในโรงชันนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระธรรมราชาทรงบัญญัติไว้แล้วภิกษุเที่ยวบินทบดีนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเข้าบ้านออกจากบ้านโดยไม่สังเกตเข้าออกเรียบร้อนเกินไปยืนไกลเกินไปใกล้เกินไปนานเกินไป กลับเร็วเกินไปอีกรูปหนึ่งก็เช่นเดียวกันภิกษุเถอเที่ยวบินทบาทเป็นวัดจะเข้าบ้านพึงปกปิดกายด้วยดีสมรวมด้วยดีมีจักสู่ทอดลงไม่เวิร์กผ้าไม่หัวเราะดังพูดเสียงเบาไม่โคลงกายไม่แกวงแขนไม่โคลงศีรษะไม่เท้าสะเอลไม่คลุมศีรษะไม่เดินกระยมพึงสังเกตก่อนอย่ารีบเข้าออกอย่ายืนไกลนับใกล้นับ นานนักอย่ากลับเร็วนักพึงยืนกำหนดว่าเขาจะหยุดงานลูกจากที่นั่งจับทัพพีภาชนะตั้งไว้หรือไม่แหวผ้าสังฆาติน้อมบาทเข้าไปประคองบาทรับอาหารขณะรับไม่มองดูหน้าผู้ถวายแม้ในแกงก็กำหนดเช่นเดียวกันเมื่อถวายอาหารแล้วใช้สังฆาติคลุมบาทกลับไปปกปิด ก, กายด้วยดีเดินไป สำรวมด้ดีมีจักษุทอดลงไม่เวิร์กผ้าไม่หัวเราะดังมีเสียงค่อยไม่โครงกายไม่แขวนแขนไม่โคลงศีรษะไม่เท้าเสีเอวไม่คลุมศีรษะไม่เดินกระยงรูปที่กลับมาก่อนปูอาสนะไว้รอล้างภาชนะที่ใส่ของฉันเตรียมน้ําดื่มน้ําใช้รูปที่กลับทีหลังจะฉันก็พึงฉันถ้าไม่ฉันก็เททิ้งหรือขนอาสนะเก็บน้ําล้างเท้า ตังรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าเก็บน้ำฉันน้ำใช้กวาดโรงฉันรูปใดเห็นหม้อน้าฉันหม้อน้าใช้หรือหม้อน้ ำ, นนำชาระว่างเปล่าพึงจัดหาตั้งไว้ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยพึงกวากมือเรียกเพื่อนมาช่วยแต่ไม่ควรออกคำสั่งนี้คือวัดของภิกษุผู้เที่ยวบินบาตภิกษุอยู่ป่าไม่เตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ไฟไม้สีไฟไม่รู้นักษัตย์ ไม่รู้จักทิศพวกโจรถามก็ตอบว่าไม่มีไม่รู้ทุกอย่างจึงถูกทำร้ายภิกษุผู้อยู่ป่าพึงสวมถุงบาตรคล้องบาผ้าจีวรบนไหล่ครั้นจะเข้าบ้านควรถอดรองเท้าใส่ถุงคล้องบาปกปิดมนทนสามให้เรียบร้อยแม้ในอรัญญิกวัดก็มีในยะเหมือนในปินทัจาริกรวัตออกจากบ้านแล้วสวมถุงบาตรคล้องบาพับจีวรวางบนศรีรษะ สวมรองเท้าเดินไปเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ไฟไม้สีไฟไม้เท้าเรียนนักปราททุกประเภทหรือเพียงบางส่วนรู้จักทิศวัดของภิกษุผู้อยู่ป่านี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์ทรงบัญญัติไว้แล้วภิกษุลายรูปทำจีวรในที่แจ้งถูกฝุ่นธุลีฟุ้งกลบภิกษุผู้มีศีลตําหนิท้าวิหารรกเมื่อจะปัดกวาด เริ่มต้นควรขนบาตจีวรออกไปขนฟูกหมอนเตียงต่างกระโถนพนักพิงออกไปกวาดอยากเยื่อลงจากเพดานเช็ดกรอบประตูนหน้าต่างและมุมห้องฝาทาน้ำมันพื้นทาสีดำขึ้นราถ้าพื้นไม่ได้ทาพึงเช็ดทำให้สะอาดปัดกวาดอยากเยื่อทิ้งไม่เคาะเสนาสนะใกล้พิกษุวิหาร น, น้ำดื่มน้ำใช้ไม่เคาะในที่สูงเหนือลมใต้ลม พรมปูพื้นเขียงรองเตียงเตียงต่างฟูกหมอนผ้าปูนั่งกระโถนพนักพิงตากทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ตามเดิมเก็บบาจีวอนอย่าวางบาดไว้บนพื้นที่ไม่มีเครื่องรองจีวอนต้องผ้าชายไว้ด้านนอกขนนดไว้ด้านในหากลมทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้พัดมาปิดหน้าต่างด้านทิศนั้นๆหน้าหนาวตอนกลางวันเปิดหน้าต่าง กลางคืนปิดหน้าร้อนกลางวันปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดปัดกวาดบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟวัชกุดีตักน้ำดื่มน้าใช้มาตั้งไว้ตั้งน้าใส่หม้อชาระไว้อยู่กับภิกษุผู้มีพรนามากกว่าถ้ายังไม่ได้บอกอย่าให้อุเทศปริปุชฌาอย่าสาธยายอย่าแสดงธรรมอย่าตามประทีปอย่าเปิดหน้าต่างอย่าปิดหน้าต่าง ควรเดินตามภิกษุแก่พันษากว่าอย่ากระทบแม้ด้วยชายสังฆาติวัดในเสนาสะนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระมหาวีระทรงบัญญัติไว้แล้วผู้ภิกษุชาพัคขีถูกภิกษุผู้เถระห้ามปิดประตูภิกษุผู้เถระสลบภิกษุผู้มีศีลตนิภิกษุควร น, นำเท่าไปเททิ้งปัดกวาดเรือนไฟชานภายนอกบริเวณซุ้มประตู ศาลาเรือนไฟบทจุนแช่ดินเหนียวตักน้ําไว้ในรางเอาดินเหนียวทาหน้าปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เถระไม่กี่การอาสนะภิกษุนวะกะถ้ามีความอุตสาหะควรทําบริกา ร, รแก่ภิกษุผู้เถระในเรือนไฟอย่าสงน้ําข้างหน้าเหนือน้ําให้ขนทางเรือนไฟเปรอะเปื้อนล้างรางแช่ดินเหนียวเก็บต่างดับไฟปิดประตูนี้ คือวัดในเรือนไฟภิกษุถ่ายอุจระแล้วไม่ชมระถ่ายอุจระตามลำดับพรรษาทรงอนุญาตให้ถ่ายตามลำดับผู้มาถึงผู้พิสษชยะัขีเข้าวัดจุคุดีเร็วเวกผ้า น, นุ่งเข้าไปถอนหายใจพลางถ่ายอุจระเคี้ยวไม้ชมระฟันพลางถ่ายอุจระถ่ายอุจระปัสสาวะออกนอกรางบ้วนน้ำลายลงในรางใช้ไม้ชมระเนื้อแข็ง ยิงไม้ชมระลงในช่องถ่ายอุจาระออกมาเร็วเกินเวิกผ้าออกมาชมระมีเสียงดังโจ๊กโจกเหลือน้ำไว้ในกระบอกชมระภิกษุผู้อยู่ข้างนอกพึงกระแอมภิกษุผู้อยู่ข้างในกระแอมรับผ้าจีวรไว้บนราวสายระเดียงอย่ารีบเข้าไปอย่าเวกผ้าเข้าไปยืนบนเขียงอย่าถอนหายใจดังอย่าเคี้ยวไม้ชมระฟัน ยาถ่ายอุจจระปัสสาวะออกนอกรางอย่าโบนน้ำลายลงในรางอย่าใช้ไม้ชำระเนื้อแข็งอย่าทิ้งไม้ชำระลงในช่องถ่ายยืนบนเขียงถ่ายแล้วปิดผ้าอย่าออกมาเร็วนะักอย่าเวริรกผ้าออกมายืนบนเขียงถ่ายแล้วจึงปิดอย่าชำระมีเสียงดังจะปุจะปุยาเหลือน้ำชำระไว้ยืนบนเขียงชำระแล้วปิดผ้าว่าจกุดีเละเทะต้องทำความสะอาด ตักร้าไม้ชาระเต็มควรนำไปเทวัจกุดีฌานภายนอกบริเวณซุ้มประตูรกก็ควรกวาดตักน้ำใส่หม้อชาระนี่คือวัดในวัจกุดีซทติวิหาริกถอดรองเท้าถวายไม้ชาระฟันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถวายข้าวต้มแล้วภานชนะเก็บไว้เก็บอาสนะที่รกผึงกวาดเข้าบ้านถวายผ้านุ่งประคดเอวสังคาเิท่ซอนสองชั้น บาดพร้อมทั้งน้ําปัจฉาสมณะนุ่งปิดมณฑลสามให้เรียบร้อยข่าประคดเอวห่มสังคาติที่ซ้อนล้างบาดเป็นปัจฉาสมณะเดินไม่ห่างนักไม่ชิดนักรับของในบาดพระอุปชากําลังกล่าวถ้อยคําใกล้ต่ออาบัดกลับมาก่อนปูอาสนะไว้รอตั้งน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระบึ้งเช็ดเท้าลุกไปรับถวายผ้า น, นุ่งผาด ผึองที่แดดเผืงทิ้งไว้ครู่หนึ่งอย่าให้มีรอยพับม้วนประกดเอไว้ในขนดพระอุปชาต้องการจะฉันน้อมถวายบิณฑบาตถามถึงน้ําดื่มถวายน้ํารับบาตถือมาอย่างระมัดระวังเผืงแดดไว้ครู่หนึ่งอย่าผึงทิ้งไว้เผืงเก็บบาตและจีวร อ, อย่าเก็บบาตไว้บนพื้นไม่มีเครื่องลาดผ้าชายจีวรไว้ข้างนอกขนดไว้ข้างใน เก็บอาสนะและน้ำล้างเท้าปัดกวาดที่รกพระอุปชาจะส่งน้ำถวายน้ำเย็นน้ำร้อนเรือนไฟบทจุลแช่ดินตามหลังเข้าไปถวายต่างรับจีวรถวายจุนและดินถ้ามีความสามารถก็ใช้ดินทาหน้าปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เถระไม่กีการอาสนะภิกษุนวะกะทำบริกรรมออกจากเรือนไฟ เต่างข้างหน้าข้างหลังทําบริกรรมในน้ําสงน้ําแล้วขึ้นมาก่อนนุ่งผ้าเช็ดตัวให้แห้งเช็ดน้ําจากตัวพระอุปชาถวายผ้านุ่งสังขารติถือต่งเรือนไฟปูอาสนะไว้ตั้งน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าถามถึงน้ําดื่มพึงเรียนพึงสอบถามถ้ามีความอุตสาหะก็ควรปัดกวาดวิหารที่รก กอนปัดกวาดควรขนบาจีวรผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนเตียงต่งเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงและเครื่องลาดพื้นออกไปปัดกวาดอยากเยื่อตั้งแต่เพดานลงมาเช็ด ก, กรอบหน้าต่างฝาทาน้ำมันพื้นทาสีดำพื้นไม่ได้ทาพรมปูพื้นผึงแดดเขียงรองเตียงเตียงต่งฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอน กระโถนพนักพิงเก็บบาดจีวรลมเจือฝุ่นละอองพัดมาทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ควรปิดหน้าต่างด้าน น, นั้นๆหน้าหนาวหน้าร้อนกลางวันกลางคืนบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟวัชกุดีตักน้ำดื่มน้ำใช้หม้อชาระพระอุปชาเกิดความไม่ยินดีราคาญเห็นผิดต้องอาบัตหนักควรชักเข้าหาอาบัตเดิมมานัดอภ า, าน ถ้าถูกลงตัดชนินยกรรมนิยสกรรมปปพาชนินยกรรมปฏิสารณิยกรรมและอุเคปนิยกรรมจีวรของพระอุปชาควรซักทำย้อมย้อมให้พิกกลับไปมารับป่าจีวรและบริขารปลงผมไม่ทำบริกรรมหรือขนขวายเป็นปัจฉาสมณนะให้บินบาทเข้าบ้านอย่าไปป่าชา้าอย่าไปสู่ทิศพระอุปชาอาพาธควรพยาบาลตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลาย นี่คืออุปชายวัตรอันสัตที่วิหาริกพึงประพฤติชอบพระอุปชาสงเคราะห์ด้วยอุเทศปริปุชาโอวาทและอนุสศาศให้บาทจีวรและบริขารคราวอาพาธไม่พึงเป็นปัจฉาสมณนะแม้อาจริยวัตรก็เหมือนกับอุปชายวัตรอันเตเสกวัตรก็เหมือนกับสัตที่วิหาริกวัตรอาวาเสกวัตรก็เหมือนกับอาคันตุกวัตรคมิกกวัตรอนุโมธนาวัตร พัตตะขวัตปินทปาจริคกวัตอารัญยิกวัตเสนาสนะวัตชันตาคารวัตวัจกุดีวัตอุปชายวัตสัตถิวิหาริกกวัตอาจารียวัตอันเตวัสิกวัตก็เหมือนกันในคันธกะนี้มี19เกเรื่องส4สี่วัตภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญวัตชื่อว่าไม่บำเพ็ญศีลผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์สามปัญญา ย่อมไม่ประสบเอกคตาจิตผู้มีจิตฟุ้งซ่านอารมณ์มากย่อมไม่เห็นธรรมโดยชอบเมื่อไม่เห็นพระสัตรธรรมย่อมไม่พ้นไปจากทุกขภิกษุผู้บำเพ็ญวัดชื่อว่าบำเพ็ญศีลผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปัญญาย่อมได้รับเอกคตาจิตผู้ไม่ฟุ้งซ่านอารมณ์เดียวย่อมเห็นธรรมโดยธรรมเมื่อเห็นพระสัตรธรรมย่อมพ้นจากทุกได้เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้เป็นพุทธชิโนรสมีปัญญาเห็นประจักษ์พึงบำเพ็ญวัดอันเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแต่นั้นจะถึงพระนิพพานได้ดังนี้แลววตะขันตกะจบ